ถ้าเราคิดถึงวัตทุกในอดีตเป็นมูลเนี่ยนะทุกอันยาหรือเกินในสังสารวัตเนี่ยนะหรือว่าเอาแค่ชาตินี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะไปเดินตามรอยเดิมอ่ะทุกก้ากระเบียดนี้มาเอาอีกไหมอย่างเงี้ยนะผู้ ก, การเอาให้เข้าโรงเรียนในร้อยอีกรอบเลยนะเอาเข้าโรงเรียนในร้อยเลยนะไม่ให้เข้าอื่นเนี่นะเอาอย่างดีเลยที่เขาชิงกันมากเนะี่ยผมฟันบ่อยจริงๆเลยไม่รู้เป็นโรคอะไรเลยฟันว่าขเขาจะกลับเข้าโรงเรียนแล้ไอ้เสื้อผ้าไม่เรียบร้อยเนี่ยนะ โอ้ยมึเล้พอมนี่ไม่พอนะพอพะตื่นขึ้นมาเฮ้ยนี่เรามาัดนี่ไปหนึ่งแล้มัดีใจแต่จริง น, น, ตนะตลกชะมัดเลยเราเรนดีนก่นานะแมจะเข้าได้โรงเรียนด้วยนะเป็นทุกเป็นร้อนเลยนะได้ก็ไม่เสียได้มีก็ไม่เสียได้ที่เดียเ<อ>รู้ดีกวาจะเปิดแล้วเอาไหมคุณปีดาไปเดินตามรอยเดิมทุกกเบียด น, นี้วะนะช เ, เ, นเช้าเข็มเย็นเข็มเช้าเขมเย็นเข็มเนี่ยนะแบบทั้งที่คุณเล่าให้ฟังอะ ขอให้เข็มนี้มันเข็มสุดท้ายแต่นะ่ากันนลแล้วก็เขามาเคยนะอยู่ครึ่งเดือนะป่วยฉีดยาเชานะ้ชาเช้าเข็มเยน็นเข็มเช้าเข็มเนยะ็นเข็มเนี่ยอยู่ครึ่งเดือนนะก็แสดงว่าสักสามสิบเข็มได้ตอนนั้นอยู่ประถมสี่ประถมห้าแถวนั้นเนะ่ยแล้วก็เอ๊ะดีตรงไหนเนี่ยนะียเอาไหมเนี่ยนะไปยืนให้ยุงมันกัดทั้งคืนอย่างเงี้ยเนี่ยนะเอาอีกรอบไหมไปยืนตากฝนทั้งวันอย่างเงี้ยนะทั้งคืนเนี้ยเอาไหมอย่างเงี้ย แค่ไปเดินตามรอยเดิมเนี่ยโอ้ยแย่แล้วเนาแล้วเห็นดีตรงไหนสักอย่างแต่ทีนี้ว่าเอ้มันก็รู้ว่ามันไม่ดีจะออกจากมันได้ยังไงนะอันนี้ที่มาศึกษาคําสอนก็ด้วยเหตุผลนี้แต่ถ้าทุกคนบอกแม่ถ้าจะเดินตามรอยเก่าแล้วมันดีอ่า น, นะก็ทบทวนเอานะว่ากุศลกรรมบดกับอกุศลกรรมาบดล่วงอันไหนมากกว่ากันอันนั้เช่นพูดถึงสัตว์นะเราให้ชีวิตเป็นทานกับเราทําปานาติบาตอันไหนมากกว่ากัน อย่างหนึ่งถ้าถ้าผู้การก็อาจจะต่าว่าให้มากกับหากมากกับค่านะเพราะปล่อยทีกะละมังก็ก็เั่นองตอนเด็กๆ <c oughs> ผมรูว่าไปเยอะนะไม่น้อยก็ถ้าเป็น ด, ดูน้ำมานะก็เอาไอ้นี่มงมงเขียวนะที่นั่นนะไปรองปลาเนะเอาใส่เนี่ยมารองปลาบ้านนะันะก็ แค่ไปเดินตามแค่ชาบนี้ก็ไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วพอแล้าออกกมันได้กูถ้าขายพาออกได้นะหมายจะบุญคุณอย่างมากเลยแต่บางคนชีวิตเขาเขาเขาเป็นคนมีบุญอ่ะเขามาสบายเขามาเรียบร้อยนะใช่ก็ก็เขาคงจะไม่ค่อยไม่เท่าไห ร, ร่ น, นะเขามาก็คิดอยู่แล้วว่าเออพวกที่มีบุญก็เพลิดเพลินกันต่อไปเรานีนบุญน้อย อันนั้นเขาก็มาด้วยบุญของเขานะเขาก็ชีวิตเขาดีมีบุญมีความสุขอนะแต่เราไม่ใช่อย่างนั้นเลยเนี่ยนะก็ว่าบาปแค่ชาตินี้ทําไมาก็เพียงพอแล้วตกนรกสบายๆอยู่แล้วนี่นะสงสัยจะอยู่หลายหมื่นปีอยู่เหมือนกันนี่ก็คนบ้านใกล้น้ำมันยังก็ไปเที่ยวหาน้ําเพื่อจะทําบาปอีกนะนีแล้วก็ไหนอ้าวปาณาติบาตไหนอาทินนาทานเนี่ยนี ไหนจะมูสาวาทอย่างงี้ยไหนจะดื่มสุราเนี่ยนะ้ะก็ไอ่ศีลทั้งหลายที่ถ้าไปล่วงไปประพฤติไปบอกพร่องนี่ก็เอามีโทษแล้วถ้าใช้คำว่าปาณาติบาตเป็นต้นให้รู้ว่าประตูนรกมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะก็ทุกแห่งที่ไปทำที่ไหนทำปานาติบาตอธทิตนาทานหรือใครที่มีความสามารถสูงจนถึงกระทำการเมสุมิชาจารได้มูสาวาต เดิมสุราเป็นต้นให้รู้ว่าทุกทุกผลทุกแห่งตรงนั้ น, นคือประตูนรกมันอยู่ตรงนั้นเอ ง, องนะนะส่วนที่เหลือจะให้ผลในประวัติการานะนะก็ทําไปานะนะก็เพลิดเพลินในทุกกันต่อไปนะครแต่ถ้าคนที่มีบุญเนี่ยนะเขาอาจจะแหมไปอยู่จาตุมจายจากจาตุมขึ้นไปดาวดึงหมดจากดาวดึงขึ้นยา ม, มานะขึ้นไปเรื่อยอย่างเงี้นะแล้วก็หมดจากปานิมเนี่ยลงมา นิ่มมาในาระดีแล้วก็ลงขึ้นลงขึ้นลงอะถ้ามีบุญอย่างนั้นก็ดีไปแต่ว่าอย่าลืมนะว่าโดยมากระหว่างนั้นจิตไม่เป็นบุญเลยมเมื่อจิตไม่เป็นบุญเนี่ยนะถามว่าถ้า พ, พลัดลงมาแล้วตัวใครตัวใครนะกันนี้เห <c oughs> ็นไนะ้มเหมือนก็ว่าชีวิตเนี่ยอยู่บนอาคารงามๆเอะนะที่ตกแต่งอะนะอยู่ในสมมติว่าอยู่ในงานจัดงานนิทรรศการที่มีแต่ภาพสวยๆหมดเลยนะ ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นห้าสิบปีนะสมมติถ้าแม้ใกล้จะจุตินี้เพลื่มเลยไหมนึกถึงบุญบ้างเฮ้ยทำบุญอะไรไปบ้างของสตินี้นะแล้วก็ชีวิตของสัตว์เนี่ยนะถ้าอีกช่วงหนึ่งก็เพลิ่เพลินอีกพักหนึ่งก็ร้องให้ทุกข์เียนะแต่ใครที่ยังอยู่ในคริวันสงสัวัตถุกรามมากที่น่าปราถนา น, น่าพอใจมากเขาอาจจะหวานชื่นนะนะแต่ว่าอีเธอ สิ่งใดก็ตามที่มันหวานน่ะนะไอของขมมันก็อยู่ตรงนั้นะ น, ะน่นแหละนะเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยนะถ้ามาละลายน้ําถ้าผสมของเปรี้ยวหน่อยถ้าเก็บไว้นานๆอะไจะเกิดก็มันจะเกิดเป็นอย่างอื่นแหละที่ที่มันไม่ได้มีความหวานอยู่เหมือนเดิมเลยนะใครมีนมสดเยอะๆแล้วก็เก็บนมสดเอาไว้เนี่ยนะสักสองวันจะเป็นอะไรอาจารย์บิ๊ดนะ เป็นนมบูดนะก็ต้องหมั่นมาใคร่ครวนนะว่าเราก็รู้แล้วว่าตันหาเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับแม่ที่พาสัตว์ทั้งหลายให้เกิดทีนี้เราคิดยังไงจริงจะกำจัดตันหาได้เนี่ยนะคิดซึ่งการคิดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าคิดชิงชังกับอารมณ์เรื่มหน้าโทสะนะไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่หลงงมงายแต่ว่าเข้าไปรอบรู้ในอารมณ์นั้นอย่าง อย่างตลอดสายจนละความพอใจได้เนี่ยนะอย่างว่านะอย่างอาหารที่มันอร่อยอร่อยนะถ้าเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาณมากมันจะไม่อร่อยแต่ก็รู้รสเท่าเดิมทุกอย่างแต่ว่ามันไม่อร่อยที่ว่ามันไม่อร่อยเพราะว่าเห็นภัยเนี่ยนะว่าไอ้อาหารอร่อยนะรู้กวาสมมติว่าผัดผักอยู่ถ้วยหนึ่งนะ กว่าจะเอาผักมาผัดได้นะถ้ามองเราเป็นคนปลูกเองนะทั้งกับขั้นตอนการปลูกการรดน้ำํำรวนดินเนี่ยนะกว่าจะเอามาล้างาแล้วเอามาผัดกนันขึ้นผัดเพื่อจะมาทานนะ่ยนะหลังจากทานไปแล้วมันเกิดอะไรนะปฏิกูลโดยอะไรนะโดยการบริโภคปฏิกูลโดยที่เปื้อนนะนะที่ตกลงเนี่ยนะไปเปื้อนกระเพาะยังไม่ย่อยย่อยแล้วเนี่ยนะจะไหลออกมาเนะี่ยถ้าพิจารณาไปมากมาเนะี่ยผมเห็นอร่อยตรงไหนเลยไม่เห็นหน้าอร่อยเลยเหมือนน แต่ทีนี้ก็อย่าลืมนะว่าตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกๆสําคัญว่าถ้าเพลดิดเพลิน ด, ดีไหมถ้ากําจัดความเพลดิดเพลินเนี่ยดีไหมสองตัวนี้จะขอเลือกปฏิบัติเส้นไหนแล้วก็ต้องอันนี้นะต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นนะถ้าไม่ชัดเจนที่จะเห็นภัยในตันหานี่ก็อันนี้ก็ไม่ใช่ฐานะน ะ, จะเจริญไปพักหนึ่งก็รู้อยู่แล้วว่ามันปฏิกูลก็จะจะเหมือนจะเจริญไปทําไมเหมือนั้นมีคนท้วงเขาว่าอย่างนี้นะ ก็รู้อยู่แล้วว่ามันปฏิกูเนี่ยนะรู้แต่ถามว่าละตันหาได้หรือยังก็ละไม่ได้กิวทีเน่ยคือมันรู้แต่ว่ามันไม่รู้พอที่จะละตันหาเนีเมื่อรู้อ่ะไม่พอที่จะละตันหาพระพุทธเจ้าจึงสอนข้อปฏิบัติที่รู้แล้วจักํำจัดตันหาได้เนี่ยนะก็เลยมีการย้ำอยู่ว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมเน่นะหรือการรอบรู้อารมณ์นั้นอ่ะพอที่กาจัดฉันทราคะได้นั่นแหละ <c oughs> ในอารมณ์อื่นๆก็เหมือนกันนะที่หน้าปรารถนาะหน้าคร้หน้าพอใจเนี่ยนะทีนี้ถ้าย้อนมาที่สุดโดยที่สุดแม้ธรรมารมที่พึงรู้แจ้งด้วยใจอันหน้าปรานะรถนาหน้าไข้หน้าพอใจก่ อ, อให้เกิดความรักชักให้ใคร้พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถามว่านี้ระดับไหนสูงสุดเลยระดับฌานคือเข้าฌานได้เมื่อคิดถึงฌานนะเป็นต้นเป็นธรรมรมทั้งหมดนะเรคิดถึงฌานนะสมมตินะ เอาแบบคนสูงสุดเลยนะคนที่ที่ได้มากๆอ่ะคือคนที่ได้ฌานแต่ถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปนะธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนาก็ทานใช่ไหมฐานะฐานะกุศลก็เป็นธรรมารมที่น่าปรารถนาคือจิตที่ให้ทานนะจิตนั้นก็น่าปรารถนาจิตที่รักษาศีลก็เป็นจิตที่น่าปรารถนาจิตที่เจริญสมถะวิปัสสนาก็เป็นจิตที่น่าปรารถนาถ้าจิตที่ได้ฌานอ่ะก็จะยิ่งน่าปรารถนาเข้าไปอีก ผู้ที่เจริญสมวิปัสนาเนี่ยนะโดยสมถยญาณิกะเขาออกจากฌานแล้วพิจารณาองค์ฌานเพื่อตัดฉันทราคะในฌานเนี่ยนะอันนี้ทามันจะยากเย็นขนาดไหเนนะเขาก็ต้องมารอบรู้ในหนึ่งตัวฌานวัตวัตถุของฌานอารมณ์ของฌานฌานมันเกิดได้ยังไงฌานมันประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างมาจากเหตุยังไงมีผลต่อไปอยังไง เนี่ยนะก็ใครครวญอย่างละเอียดจนละฉันทราคะในฌานได้อะพวกที่ทําอย่างนั้นได้เนี่ยนะถ้าเป็นรูปฌานเป็นปัญญาวิมุตถ์ถ้าอรูปฌานทําได้อย่างนั้นเป็นอุปโตภาเาวิมุตถ์เนี่ยนะพวกนี้จะต้องตัดฉันทราคะโดยที่สุดแม้ตัดฉันทราคะในฌานเป็นของเราก็ให้ทานเนี่ยนะจนกว่าจะตัดฉันทราคะจิตที่ว่ากุศลเนี่ยดีต้องตัดฉันทราคะในจิตเรานั้นให้ได้อะนะห ทีคิกว่าจากละกุศลมาเจริญกุศลมันก็ยากเย็นเต็มทีแล้วใช่ไหมทีนี้พอเจริญกุศลให้มากๆตัดฉั้นราคะโดยที่สุดแม้ในกุศลเนี่ยนะอันนี้คือความบริสุทธิ์ของศาสนานี้ น, นะว่าศาสนานี้บริสุทธิ์จริงๆเป็นคําสอนที่รียกว่าไม่เจือปนด้วยกิเลสแม้แต่ในชั้นสุดท้ายเนี่ยน ะ, ะทั่วๆไปโดยปกติจะมาชื่นชมใช่ไหยแหมประสบความสําเร็จมาพอใจกันนะอันนี้ไม่ใช่นะนะ เพราะฉะนั้นท่าไม่เพลิดเพลินไม่กล่าวสรรเสริญไม่หมกมุ่นในธรรมอารมณ์นั้นอยู่เมื่อเธอไม่ยินดีไม่กล่าวสรรเสริญไม่หมกมุ่นในธรรมอารมณ์นั้นความเพลิดเพลินก็ดับเมื่อไม่มีความเพลิดเพลินก็ไม่มีความกำหนัดกล้าเมื่อไม่มีความกำหนัดกล้าก็ไม่มีความเกี่ยวข้องดูก่อนมิขชาระภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความเกี่ยวข้องเราเรียกว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวในอารมณ์ที่น่าปราถนานะแล้วไม่เกี่ยวข้องได้อะนะ อันนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ปฏิบัติยากใช่ไหมกทั้งสัตว์และสังขารก็อยู่แล้วต้องอย่างนั้นอยู่แล้วดูเราฟังฟังไปมักจะเหลือสังขารไม่เอาก็ต้องเอาทั้งสัตว์และสังขารนันนี่ดูมูลปยาศาสตร์พูดถึงว่าปุตุชนเนี่ยนะสำคัญปฐวีโดยความเป็นปฐวีสำคัญในปฐวีสาคัญซึ่งปฐวีสำคัญจากปฐวีใช่นะ กระถามว่าที่ปุถุชนเข้าไปสําคัญแบบนั้นอนะ่ะเพราะอะไรเพราะไม่ทําปริญญาในปัทวีทีนี้ปัทวีมีกี่อย่างปัทวีมีสอย่างเห็นไหมปัทวีหนึ่งอ่าลักษณะปัทวีสัสัมภาระปัทวีสมมติปัทวีและอ่าอา ร, รัมมณะปัทวีเนี่ยนะอ่าส่วนคําว่าลักษณะปัทวีก็คือสภาพที่แข็งแข็งอย่างเดียวเนี่ยนะ สภาพที่ขั้นแข็งเรียกว่าลาักษณะปฐวีส่วนปฐวีที่เป็นสะสมภาระก็แบ่งออกเป็นสองเป็นภายในกับภายนอกสะสมภาระนะภายในก็คือผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นนยะภายนอกก็เนี่ยพวกโตเตียงตังเก้าอี้พวกข้าของเครื่องใช้ทั้งหลายเนี่ยนะนนี้ก็เป็นปฐวีภายนอกส่วนสมมติปฐวีก็คือเทวดาที่ คือผู้ที่เจริญปฐวีจนได้ฌานแล้วไปเกิดเป็นพรหมนะนะพรหมพวกนี้เรียกว่าสมมุติปฐวีส่วนปฐวีกสินเรียกว่าอารัมมนณะปฐวีท่านจะต้องเอาสี่ปฐวีสี่อย่างเนี้มาทําปริญญาให้หมดนี่นเพราะอะไรเพราะสัตว์ทั้งหลายมันติดโดยที่สุดแม้กระทั่งหลุมขยะนี่ติดไหมติดหรือไม่ติดเนาะท่านจริงๆนะัหลุมขยะนี่ติดหรือไม่ติดเนาะถ้าไม่ติดนะเดี๋ยวจะขอหลุมขยะสันหน่อยให้ไหม ว่ามีที่ดินแค่ทิ้งขยะสักหนึ่ไรใช่ไหยขอหน่อยเถอะตรงเนี้ยนะเอาโฉนดมานะจะขอที่ทิ้งขยนะเนียเอาไหมล่ะก็เราติดแม้กระทั่งหลุมขยวะว่างั้นเถอะไม่จะไม่จํากล่าวถึงที่อื่นว่างั้นนะมนะันติดหมดนะอะต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยพวกนี้ปฐวีธาตุทั้งนั้นเลยสำคัญว่าเป็นของเราอ่ะนะแม้กระทั่งหญ้าคายังติดเลยเอาคิดดูเงี้ย น, นะใครไปเกี่ยวย่าคาเราจะยอมหรือเปล่าเนี่ยบางสวนบางเจ้าเขาไม่ยอมให้ใครไปเกี่ยวเลยนะีย ยัดติดมากทำรั้วล้อมเป็นอย่างดีหมดอะห้ามจุดไฟเผาด้วยนะห้ามหมดอะดีไม่ดีห้ามคนเดินผ่านนิอันก็โหติดมากอะนะติดที่สุดแม้กระทั่งไส้เดือนยังติดเลยนะใครมาขุดแถวๆนั้นเอาไส้เดือนเราไม่ยอมมามันติดหมดอะอนี่ไงก็ไม่เชื่อก็ให้ไปขุดท้ายสวนที่บ้านนะู่เนี่ยเอาไส้เดือนเนี่ยมันไม่ยอมอยู่เลยใช่ไหมติดหมดนะห่วงหมดอะให้มันเป็นของเราะอะนี่ไง ที่ดินที่ไร่เนี่ยนะติดหมดนะที่ดินเนี่ยมาเชื่อไ่มที่ดินเราเนี่ยรกรกอยู่นะใครมายกกระต๊อบอยู่ตรงนั้นน่งไร่นี้อีกน่นติดอ่ะนะไม่ก็ทั้งที่ดินเนี่ยติดหมดอนะ่ะไม่มีอะไรที่ไม่ติดอ่ะนะน้ําคลองบ้านเราถ้าใครมาตั้งตั้งเรือจอดอยู่ตรงนั้นไม่ไปสักพีหนึ่งอ่ะนะเราก็ตือนร้อนอีกอ่ะนะมันก็ติดหมดอ่ะที่ไหนมันไม่ติดอ่ะถามดูเถอะที่ที่ไม่มีใครติดเลยนะไม่มีในโลก ขอให้ใช้คําว่าโลกนะเว้นโลกุตระะนะที่เป็นโลกอะ่ะไม่มีแม้แต่ที่เดียวที่สัตว์ไม่ติดเนี่ยนะเขาบอกว่าโดยที่สุดแม้แต่สัตว์นระกยังกลัวตายเนี่ยนะถามว่าความแก่นี่เราติดไหมติดนะครความแก่ก็ติดความป่วยก็ยึดติดอนะีกนั่นแหละไม่มีอะไรที่ไม่ติดอนะเนะียังแต่ว่าจะยอมรับว่าติดหรือเปล่าใครนะเนะนี่ย น, นะ่ ได้ใใว่าอคําว่าคำว่าอ่าเป็นติดสิ่งที่เราเข้าไปยึดติดเนี่ยบางอย่างเราไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ยึดติดแต่ว่าอันนั้นเป็นอารมณ์ให้คนอื่นยึดได้เช่นสมมุติว่าสิ่งที่มันสกปรกมากๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอารมณ์เราไม่ยึด<ง>แต่สัตว์อื่นยึดแต่สัตว์อื่ น, นใช่คืแต่เคือว่าในในสิ่งเดียวกันเร่รอะ เมื่อมันเป็นเส้นอุปาทานิยธะธรรมธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเช่นอาหารบูดบูดเนี่ยนะเราไม่ติดแต่ว่านอนมันติดก็ยังมีสิ่งสัตว์ที่ไปติดในในสิ่งนั้นอีกเนี่ยนะโดยที่สุดมันปฏิกูลไปแล้วเนี่ยนะก็ยังมีสัตว์ที่ติดในสิ่งนั้นอีกอยู่ดีอันดับอย่างอย่างสุนัขเหม็นเม็นเนี่ยนะเราก็บอกเราหม่มันเหม็นมากานะไม่น่าติดแต่สุนัขด้วยกันมันจะไปนอนคลุกเพื่อที่จะเอาไอ้สูดไอ้กลิ่นเหม็นให้มันเต็มที่เลยนะ นะมีหมาสมมติว่าซากศพหมายอยู่ตรงไหนนะมันเหม็นหึงไปหมดน ะ, ะหมาอีกตัวจะไปนอนคลุกเพื่อที่จะเอาเปื้อนที่สุดเท่าที่จะเปื้อนได้เนี่ยนะแมันยังไปติดกันได้จนได้นะก็ อ, อ่พวกคอเล่าหลายคนคนแก่สมัยโบราณนะต้องกินหอยแคลงที่มันตายแล้วมันเน่าแล้วคือคือมันมีกลิ่นแล้วนะฮะหอยแคลงเป็นเหม็นมๆสักนิดหนึนะไอม ก็ม่นี้ก็เยอะเหมอนกันนะฮะแล้วแล้วไข่ก็ต้องกินไข่เค็มเน่าครับเพราะว่าโอ้โหไข่เค็มเน่านี่อร่อยมากก็พวกนี้เป็นปริกราปะอิฐารมไยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงก็คือเหมือนกับว่าถ้าเป็นน้ําพริกมันต้องเผ็ดหน่อยใช่ไหมจึงจะอร่อยยางไงนะอต้องเผ็ดหน่อยนะส้มตํำของบางเจ้าของมางนึกมันกินกันได้ยังไงโอ้โหมันเนี่ยมันส้มตํามันไม่ค่อยมากเลยมีแต่พริกเนี่ยกินกันได้ยังไงวะเนี่ย มันอร่อยของเขาอะนะน้ำรูนะ้น้ำตาก็าไหลน้ํามูกก็ไหลแต่ว่าอาร่อยอ่ะก็ทําไมมันขนาดนั้นะนะอร่อยมากเราเจอพริกเข้าไปเม็ดสองเม็ดนี่ก็ท้องจะเสียใหญ่อยู่แล้วแล้วก็พันแกในสิ่งเดียวกันเนี่ยจะเป็นอิทธารมของอีกพวกหนึ่งอะถึงจะไม่เป็นอิทธารมของเราแต่ก็มีพวกที่ไปเป็นยึดสิ่งนั้นโดยความเป็นอิทธารมอีกอยู่ดีมันไม่มีในโลกนี้นะ ไม่มีโดยที่สุดแม้แต่ลูกระเบิดเขาก็ยังชอบอีกอ น, นะคือคนที่ได้ผลประโยชน์จากสิ่งนั้นอ่ะนะเขาจะชอบแต่ไม่ใช่ว่าเราชอบอ่ะ น, นะให้รู้ว่าไม่มีวัตถุใดที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในโลกนี้เอาคนดูเถอะไม่มีโดยที่สุดแม้แต่ซากศพนะถามว่าสัตว์ติดไม่เอาสมมติถ้าเรามีศพ บ, บรรดบรุษไปฝังอยู่นะพวกรักเอาไปเนี่ยพอใจไหมเอ า, าต้องตั้งอยู่ที่เดิมอ่ะนะเราจึงจะชอบมาก กระดูกบรรพบุรุษของเราเรายังติดอีกนะถ้าใครเอามาเนี่ยมาเหยียบเล่นมาอะไรเล่นเราจะเสียใจยมากกระเดือดร้อนมากยึดหมดอ่ะไม่มีอะไรที่ไม่ยึดก็โดยทั่วๆไปก็จะตกอยู่ในฝักฝ่ายแห่งความกำหนัดนั่นนะก็ต้องเป็นพวกที่ผูกพันกันหน่อยนะพวกที่มีผลประโยชน์ร่วมกันบ้างนะ ไเหอะไม่มีอะไรอะที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดนะโดยที่สุดแม้กระทั่งอะไรที่คนอื่นเขาว่าเลวนะก็ยังมีบุคคลที่ไปไปกำหนัดในวัตถุนั้นๆอีกจนได้วัาุาพ่อเจ้าในกำหนัดกัน้านตอนนั้นเขาเคารพมากจะไปใช้กำหนัดเขาเคารพกันมากนะถ้ามีะดีใจพระท่าเพราะว่านั่นเป็นเป็นแหล่ง บุญเนี่ยนะเป็นพลังงานบุญจะเกิดอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ในแง่ของพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะให้ผู้ชมไว้อย่างเดียวใครพูดตําหนินะขาดทุนชีวิตยับเยินหมด <c oughs> เหมือนอะไรเหมือนกับอ่านะตัวอย่างประเทศไทยเราก็จะมีในพระบรมราชวงศ์เป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นหน้าที่ของในประเทศนะควรจะต้องยกเอาไว้เนี่ยนะเขาก็ต้องเคารพอย่างเดียวห้ามวิจารณ์ในแง่ไม่ดีเด็ดขาดเพราะมันมีโทษ พระพุทธเจ้ า, ามากกว่านั้นเป็นพันพันล้านเท่าเนีย่ยนะถ้ามองในแง่ไม่ดีเมื่อไหร่นะก็โอ้โหขาดทุนชีวิตชนิดที่เรียกว่าให้อภัยไม่ได้น่ยะยันะยงนึกถึงเขาเขาทำบุญพระบรมสารีริกธาตุสมัยพระเจ้ชาชาติศัตรูนะประชาชนไม่เห็นด้วยหลายหมื่นตายเป็นเปรตเก่งเลยนั่นแหละแล้วก็แม้กระทั่งพูดตำหนิแบบเรียกว่าพูดหมินแบบวุ่นวายอะไรกระดูกอะไรไปล อ, อยน้าไปอะไรไปเนี่ยนะ กรรมมานั้นก็โหยิ่งใหญ่มากอ น, นะเดือดร้อนมากมันก็เอาไว้เคารวเอาไว้บูชาแต่คุณมลเมีเยอ น, นั่นก็ชาตินี้มันอาภัพขนาดนี้ก็สํานึกตัวไว้บ้างแ น, นะเดี๋ยวชาติหน้าจะอาภัพกัน น, นั่นอีกผมเคยบวชส <c oughs> เดือนบังในบังสกุลให้กระดูกแม่เวลาสามครั้งกระดูกก็ไปเจ็บไปที่วัดบางสกุลนี่เขาบางสกุกระดูกบังว่างก็เอามือไปแตะที่กระดูกแล้วก็พอ วันพะนะอนิจังพระตาสังขาราอุปาเตายาธรรมนิโนโุปปจิตวา น, นิรุชชัติเตส า, าสมมสอูปสมโมจุดโผล่พระคดูปคเป็นอิออนธิรามพระยังกยโยปิตวิงฤิเศรติตีจุดตัวเปตาวิงยานโนนิรุษถามว่ากระลิงคารังพะคุณก็ค <c oughs> <c oughs> ุณ <c oughs> ให้กระดูมแม่ก็เท่าขอไปบอกว่าเนี่ยนะเหมือนไหมเหมือนอะไรนะเหมือนกับเนี่ยมาจับบอกว่าเออเนี่ยนะไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไป ต, ตัวนี้ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปผู้ที่เข้าไปสงบระ ง, งับสังขารนี้ได้เป็นสุขใ น, ในความหมายแรกนะความหมายที่สองก็ไปแช่งว่าไม่นานเน้อไอ้ร่างกายนี้ก็จะท่วมทับซึ่งแผ่นดินนะบุคคลเมื่อวิญญาณปราศจากไปแล้วมันก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้ไอ้กระดูมก็หาประโยชน์ไม่ได้ไมันต้องคิดถึงคนที่ไปจับด้วยนะอีกไม่นานเนนะนะก็จะเหมือนกันนะ พอแล้วตามตามคุณบนมีมันจะ ไ, ไ, ไปลแล้วเนี่ยไม่ได้เข้าเรื่องข่าวราวเลยนะเนี่ยของศาลคนตัดเทปรับ <c oughs> ทีนี้ย้อนในครั้งหนึ่งว่าดูก่อนมิคาชาละพิกษุกผู้ไม่ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความเกี่ยวข้องเราเรียกว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวดูก่อนมิคาชาละ ภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้จะอยู่ปะปนกับภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอามตะของพระราชาเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีในละแวกบ้านก็จริงถึงอย่างนั้นก็เรียกว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวอันนี้เน้นเอาตันหานะใครมีตันหาเรียกว่ามีเพื่อนหมดอนะใครไม่มีตันหาเรียกว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวโดยประมัดนะโดยประมัดเรียกว่าโดยชั้นสูงเนี่ยนะดูก่อนมิขาชาละ เราเรียกผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตันหาซึ่งเป็นเพื่อนเธอละได้แล้วเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวทั้นในข้อหกสิบเจ็ดนี้หมายเอาผ้าละหันอย่างเดียวข้อหกสิบเจ็ดนะข้อหกสิบหกก็คือผู้ที่ไม่ใช่ผ้ารหัน ทีนี้ในข้อที่68เนี่ยนะทุติยะมิฆะชาลสูตรกล่าวว่าครั้งนั้นแลท่านพระมิฆชาลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายถึงที่ประทับถอายพิว่าแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอว่าโอกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมะแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ที่ข่าพระ อ, องค์ได้ฟังแล้วพึงเป็นผู้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่เถิดอันนี้ก็คือเป็นคำขอกรรมฐานนั่นเองนะขอกรรมฐานขอให้พระ อ, องค์แนะนำกรรมฐานนะจะไปเจริญแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนมิขเชรารูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุอันนาปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจน่ารักอาศัยความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกหนัดมีอยู่ ถ้าภิกษุยินดีกล่าวสรรเสริญหมกมุ่นรูปนั้นอยู่ย่อมเกิดความเพลิดเพลินเรากล่าวว่าเพราะความเพลิดเพลินจึงเกิดทุกเนี่ยนะหมายถึงว่านันที่นิโรธาทุกข์นิโรโทนะบอกว่าเพราะความเพลิดเพลินด้วยอำนาจตันหาดับทุกข์ก็ดับถ้าท่าในฝ่ายตรงกันข้ามตรงนี้ก็บอกว่าถ้าความเพลิดเพลินเกิดทุกข์ก็เกิดให้มีความรู้สึกอย่างนี้นะว่ารูปถ้าเพลิดเพลินในรูปนั่นแหละเท่ากับเพลิดเพลินในทุก เ, นะเสียงก็เหมือนกันนะถ้าเพลดิลดเพลินในเสียงก็ชื่อว่าเพลดิลดเพลินในทุกถ้าเพลิดเพลิน ใ, นในกลิ่นก็ชื่อว่าเพลดิลดเพลินในทุกเพลิดเพลินในรสก็ชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกเพลิดเพลินในโพธาภาก็ชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกอีกเหมือนกันแม้กระทั่งเพลิดเพลินในธรรมรมที่พึงรู้แจ้งด้วยด้วยใจเนี่ยนะน่าใคร่น่าพอใจน่ารักอาศายัยควา ม, ความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด มีอยู่ถ้าพิสูจนยินดีกล่าวสรรเสริญหมกมุ่นในธรรมารมณ์นั้นอยู่เมื่อเธอยินดีกล่าวสรรเสริญหมกมุ่นในธรรมารมณ์นั้นอยู่ความเออความเพลิดเพลินย่อมเกิดเรากล่าวว่าความเออเกิดความเพลิดเพลินจึงเกิดทุกข์นะนั่นที่สมุทยาทุกขะสมุทโยนั่นเองนะก็คือถ้าความเพลิดเพลินเกิดทุกเกิดนะเพราะอะไรเพราะตัวเพลิดเพลินเป็นชื่อของตันหานะตันหานี่นะมีปกตินำเกิดในภพใหม่ ประกอบด้วยความกำหนัดเป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าตัณหาเกิดที่ไหนมันก็เท่ากับว่าเจริญต้นเหตุแห่งวัตถทุกณที่นั้นเนี่ยนะมันก็มันก็เกิดไม่พ้นอารมณ์6อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตัวตัณหาเนี่ยจึงเป็นตัวนําเกิดเนี่ยนะทั้งข้อ68นี้แปดนี่เรียกว่ากล่าวถึงวัตตะนะว่าวัตตะมันเป็นไปอย่างนี้นะอันนี้ก็เท่ากับแกล่าวทุกขสัจกับสมุทัยสัจว่าเป็นไปแบบนี้นะ ส่วนวิวัตต์คือมัคคสัตรย์กับนิโรสัตต์พระองค์ตรัสว่าดูก่อนมิขเชาลารูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจากสุอนั น, ะในใหน่าปราทานหน้าใคร่หน้าพอใจน่ารักอาศัยความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่ยินดีไม่กล่าวสรรเสริญไม่หมกมุ่นรูปนั้นอยู่เมื่อไม่ยินดีไม่กล่าวสรรเสริญไม่หมกมุ่นรูปนั้นความเพลดิเลดเพลินก็ดับเราเกล่าวว่าเพราะความเพลดิเลดเพลินดับทุกจึงดับน่นนะนันที่นิโรธาทุกขนิโรโทนั่นเอง นะขวามือนะจะเห็นว่าเพราะความเพลิดเพลินด้วยอำนาจของตันหาดับทุกข์ก็ดับขั้นสาคัญที่สุดก็คือรู้เห็นยังไงจึงจะดับตันหาได้นั่นแหละเสียงก็เหมือนกันนะกลิ่นรถโภภพธิภะธรรมรม์ก็เหมือนกันว่าธรรมรม์ที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจอันน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจน่ า, นารักอาศัยความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าภิสูุไม่ยินดีไม่กล่าวสรรเสริญไม่หมกมุ่นในธรรมรมณ์นั้นอยู่ เมื่อเธอไม่ยินดีไม่กล่าวสรรเสริญไม่หมกมุ่นทำอารมณ์นั้นความเพลิดเพลินก็ดับเรากล่าวว่าเพราะความเพลิดเพลินดับทุกข์ก็ดับความเพลิดเพลินจะดับนี่ต้องอาศัยนิโรธนะคือพระนิพพานนะจึงจะเลิกเพลิดเพลินจริงๆมันถ้าเป็นอารมณ์ทั่วๆไปก็ไม่สามารถที่จะละความเพลิดเพลินได้นะจะต้องเมื่อพิจารณาอารมณ์เหมนะคือรูปอารมณ์แล้วหลีกไปสู่นิพพานได้ นะหรือว่าพิจารณาสัพทารลมคันธารลมรสาลมโผทัพพาร ม, ราาร ม, รารมธรรมารมทั่วไปนะแล้วมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ตันหามันเจงจะดับจริงนะถ้าตันหาดับทุ ก, ก็ก็ดับนั่นแหละอันนี้แหละเกิดการให้กรรมฐานนะข้อ69นี่ให้กรรมฐานแสดงว่าแสดงธรรมะจบลงที่อรหัตตมรรคแล้วทีนี้พระมิขละมิาชาละฟังแล้วเข้าใจเลยนะเข้าใจข้อปฏิบัติแล้ว ครั้งนั้นแลท่านพระมิฆชละยินดีอนุโมทนาภาสิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าลูกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําประทักษิณแล้วหลีกไปครั้งนั้นแลท่านพระมิฆชาลาหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอาใจเด็ดเดียวตัวนั้นปแปล ว, ว่ามีตนส่งไปแล้วหมายความว่าไม่อะไรในกายและชีวิตมีจิตน้อมมุ่งตอนนี้พามเนี่ยนะ ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจันท ร, ร์อันยอดเยี่ยมคืออรหั ต, ตผลเนี่ยนะที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันท ร, ร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีนีนะและท่านพระมิกชาลระได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจํานวนพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้แลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เอข้อปฏิบัติก็คือ ฟังง่ายๆว่าถ้าอารมณ์ที่น่าปรารถนามีอยู่ถ้าเพลิดเพลินเกิดความเพลิดเพลินเกิดทุกเกิดถ้าดับความเพลิดเพลินในอารมณ์ที่น่าปรารถนาได้หมดทุกก็หมดเนี่ยนะอันนี้ย่อมากนะก็เ น, นี่ยนะเข้าใจายากใช่ไหมอ๋อ ท, ทำยา ก, าะยา ก, กนะเนี่ยแปดหกสิบเก้ามีไไม่สงสัยเลย ไม่สงสัยว่าอย่างไม่สงสัยว่าอย่างคือเข้าใจแต่ข้อเจสเนี่ยข้อจ็ดบตรงนี้น่าสนใจมากก็ข้อเจ็ดบก็คือท่านก็ไปปฏิบัติตามคือคือลงในรายละเอียดแล้วนะว่าเพราะว่าการเห็นอารมณ์เนี่ยนะถ้าถ้าว่าตามสูตรเนี่ยสูตรก่อนก่อนกล่าวถึงรูปโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นเนี่ยนะแล้วเบื่อหน่ายคลายกำนัดเนี่ยแสดงมาม า, มากแล้ว เพาันก็ต้องเป็นไปตามแนวสูตรก่อนๆนั่นเองท่านจึงเรียงเอาสูตรนี้มาไว้ข้างหลังเนี่ยนะเพราะกล่าวถึงข้อปฏิบัติมามากแล้วท่านจึงมามาพูดถึงนี่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าผลของการปฏิบัติเนี่ยนะว่าท่านฟังแบบนี้ท่านก็ปฏิบัติตามนั้นแหละท่านก็ถอนฉันทราคะได้จริงนะข้อปฏิบัติก็คือเนี่ยคิดยังไงจึงจะหมดตัณหาก็ต้องคิดตามนั้นอยู่แล้วก่อนหน้านี้อยู่แล้วเห็นยังไงจึงจะสิ้นสังโยชนเห็นยังไงจึงจะสิ้นอาสวะเห็นยังไงจึงจะสิ้น อนุสัยก็คือเห็นรูปด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเองนะก็ต้องอ่นนะถ้ากล่าวไม่เที่ยงก็ต้องระดับตีระนปริญญาไปแล้วนะก็อินซีมันต่างกั น, ก น, น, กนคือของไม่ใช่อะไรของเขาเนี่ยพอพูดปั๊บเขามองออกอยู่แล้วอะไรเป็นอะไรนะชี้ให้ดูตาเข้ายาวนะเขามองเห็นอยู่แล้วของเราต้องเดินไหนๆๆไหนไหนตามไม่ค่อยดี คือปันยินซีมันอ่อนมากนะไม่อ่อนแต่จากขุนซีนี่แหละมันจะใช้ไม่ค่อยได้ทุกวันนะเปลี่ยนแว่นไปเรื่อยจากขุนซีโสตินซีนี่นะมากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวัน